การตั้งใจฟังที่ไปทางปฏิบัติให้ฟังการศึกษาการจะศึกษาพุทธศาสนาเนีย่ยพึงศึกษาพุทธศาสนาก่อนเลยพระพุทธศาสนาเกิดทีหลังธรรมท้งเกิดก่อน เมื่อแยกคำพุทธศาสนาออกจากกันให้เข้าใจแล้วไม่รู้เรื่องเราภาษาที่เราพูดสำหรับพระธรรมคาสองของพระพุตติเจ้าเราเรียกพระธรรมคาสองของพรตติเจ้ามันอันหนึ่งต่างหากนะพระธรรมคำทสองกรตติเจ้ากับธรรมมันอีกอย่างหนึ่งต่างหากเมื่อเราจะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจจงแยกคําว่าธรรมกุทธศาสนา คือธรรมคำสองปุตตะให้ออกจากสันติเที่อที่ไปนี้อยากจะให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมธรรมคือสภาวะที่เป็นอยู่มีอยู่แล้วก่อนแต่ปุตารยังไม่ทัดไปตระแรู้หรือไม่ปุตตะยังไม่แทนอุบาติกามนโลกเรียกว่าธรรมอะไรบ้างธรรมที่มีโลกรูปธรรมนามธรรม ียัางไรก็พูดงเงื่อนพุทธะจักสมาพูดถึงเงื่อนผักเขาพูดได้แจ้งในรูปความนามธรรมก่อนในโลกนี้มีรูปความนามธรรมคือวิสิ่งที่เป็นรูปนั้นเรียกว่ารูปธรรมนามนั้นคือได้เกิดจิตใจเรียกว่านามธรรมพูดถึงเงื่อนรูปธรรมแล้วยืด่รูปรวมยกความแล้วเกิดสืบทาสสี่ดีน้าไปแลวเรียกว่ารูปผัก นี่แต่ธรรมนอกจากนั้นอีกธรรมที่เรียกแล้วเรียกว่าธรรมดาหรือว่าสภาวะธรรมต้อ ง, งเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ยังพากันพูจ้จนอยู่นั่นสวดจนอยู่ครับชาลาที่ทำพยาที่ทำมรณะธรรมชาลที่จํามหีที่ละวันคือพูดง่ายๆเดี๋ยวชาลาที่ทำร่องแก่ก็เป็นธรรม พ ญ, ญาที่ทําคนเจ็บก็เป็นธรรมบารมีน่าทความตายก็เป็นธรรมมีเป็นอย่างนี้ทำมาธรรมนอกจากน้นอีกถึงแม้ทา่านจะไม่พูดเป็นธรรมก็เรียกว่าธรรมท่านพูดเสียงยอ่อๆใช่ไหมครับสภาวะที่เป็นอยู่เกดิดดับมีอยู่สภาพเปลี่ยนแสงมีสามลักษณะของมาหรือเราจะเรียกว่าไตรลักษณ์นยาม ยานไปในสังยานก็จมีท่านเอาญานมาเพิ่มเ ส, ส, สริมชิ้นคือช่วงลูกของปริจจ์รูปอาโดยสุนสระบะไรรักคือลักษณะที่ทั่วไปเราเรียกว่าธรรมที่มีความทุกทุเ น, นีนนิจจังทุกฝังนัก่างเรียกว่าธรรมดินฟ้าอากาศเขเรียกว่าธรรมเย็นร้อนอ่อนแข็งเขเรียกว่าธรรม นี่เรียกประธาน ท, ทั้งหมดตัวพองเราเนี่ยเกิดขึ้นมานะี่เป็นรูปเป็นกายเนี่ยเรียวกว่าเป็นรูปเป็นนามเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมนี่นพูดเชนั้นได้ก่อนแต่ ม, มาถามในที่นี้ใิจารณาเราองตอนนัาชญ์จะิจารณากเา็เฉลยพิจารณาไปเถิดรื่นธรรมกว้างกว้างหาที่สุดนี่แหละแต่ว่าพวกเราไม่เข้าใจทังรูปธรรมนามธรรมซึ่งไม่ได้จะทําทั้งหลายเหล่านี้ พระพุทธเจ้าอุบาตวขึ้นมาในโลกแต่ยั้งเดียวกับพวกเรานี้แนหะคิดต้องการอยากจะเห็นสัจจะของจริงทิดต้องการอยากจะพ้นจากทุกทุกคนไม่มีใครอยากพน้นไม่อยากพ้นจะทุกอย่าสักคนเดียวทาไมจึงพ้นจากทุกไม่ได้แต่เพราะเราไม่เห็นธรรมสภาวธรรมของจริงและปล่อยวางสภาวธรรมไม่ได้เมื่อไม่เห็นจริงเคยละ เวางไม่ได้เอาสักคาวธรแล้วมายึดเป็นตนเป็นตัวกันเราเป็นเขนั้นก็เลยคดทุกข์ไม่ได้ทุกข์ที่จะบัดกมาคิดคนหาเหตุผลเลื่อทั้งหลายนี้ตามตลอดปัญญาที่ได้ศึกษามาคิดคนทุกข์นี่ทุกวงทุกแขนคิดชาอดังหาดิชาธรรมทุกกาชุยอยา ใะกั้นดมหายใจเขาออกวิชาวันนี้เป็นของมีมาแต่คนเก่าเมืองโบราณซึ่งเขาถือว่าเป็นประปะานที่จะให้ดับทุกพระองค์ศึกษามาคล้องแค้วทุกอย่างยอามาทดสอบทดลองดูปฏิบาาัติต่างไม่ได้ละไม่เป็นผลประโยชน์เลยในผลที่สุดมร ล, ลึกได้ถึงข้าวที่พระองค์เป็น ราติจะกลุ่มมาสมัยพัะ ญ, ญาติสวงก็แล่นน้วางเขาปไปปลูกเตไว้ใต้ส้นไม้ใต้ตนหว่างพวกเขาไปเพลินสนุกกันแรกนนักขวานพ้องอยู่คนเดียวได้ขวางอีูเองลุกนั่นนงทำสมาธิเรื่ ง, งานตงเกิดความดันนั่งเพ่งอยู่ที่ลงหายใจเข่าหายใจออกคิดรวมลงไปได้ เขาจิตรวมได้เลยเกิดตาทีหาพวกชาวพนังงานทั้งหลายเขาทำพรรามเขาเสด็กราบมาจนตะวันบ่ายแทนที่เงาต้นวายจะตายไปตามตะวานันแต่ว่าไม่ตายเป็นก็ที่มุ่งตรงมึุ่งตะวันเที่ยงเคลื่อมาช่วยจำใหญ่ตัวโ ม, มทัมถ้าเป็นมักราบมอวัยพะองค์ลวลึกถึง เอานั่นมาทํำทันภายในใจคือมาทำธรรมที่ภาวนาภาวนาลมหายใจความเกิดความดับที่ยังเอาลมหายใจเป็นเครื่องสมดุลคิดใจมนในไม่มีตัวไม่มีตัวก็ไม่อยู่ในจุดเดียวคือ ท, ที่ลมหายใจเห็นหายใจออกหายใจเข้าแล้วคเกิดควาดับอยู่ตรงนั้นเกิดซึ่งก็เพราะเรามีลมดับก็พรามันหมดลม อยู่ตรงนั้ น, ดนได้ใจสงบเมื่อแม่ก็ได้ฌานโดยลำดับตัง้งตัวค้นทัง้งเรื่องเหตุปั้งใจทั้งฟวงหมดเนี่จึงมารู้มารู้ถึงเรื่องธรรมที่ความเกิดความดับนั่นเป็นสภาวะธรรมลมหายใจเข้าออก ต้อแก่ต้องเจ็บต้องตายมาเป็นสถาปัตย์ไม่แค่เราไม่เคเขาบตอนที่เรารู้ทเท่าเช่นนี้มันร่อนหว่างพอดที่ยาไม่คื้ตนที่เตืนตเอนที่เราือเขอบเลยคนจาดทุกการต้นจากทุกใดเพราะการปล่อยวางอุปทานเท่านี้ น, น่าจะไม่มี พเะพุทธเจ้าวาิจะรณ์เห็นชัดอย่างนี้ได้ควารู้จริงอย่างนี้แล้วได้ผลประโยชน์อย่างนี้สําเร็จความต้องการของท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมจะรู้สภาวธรรมเช่นสภาวธรรมเมื่อรู้เห็นสภาวธรรมและจึงเรียนําเอานั้นแหละแนวทางที่พระองค์ดำเนินไปนั่นแหละมาสอนพวกเรา เหล่าพุทธวิสัชนเนืสอนพวกเราเอาเหล่าพุทธวิษัทจึงเรียกว่าพระธรรมคือธรรมของพระเจ้าเองมเป็นราชาชาคือว่าพระธรรมคือแท้จริงคือธรรมท่านเองท่าของพระเจ้าเรียกว่าพระธรรมเอาเพิ่มมาท่สองพระพุทธเจ้าเขอีกคท่านสอนพระเจ้าสอนธรรมาสอนตัวเรา มีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นหากพวกเราจะศึกษาเรื่องพุทธศาสนาแล้วให้ศึกษาเรื่องธงรรมเสียก่อนให้เข้าใจเรงธรรมเสียก่อนเมื่อเข้าใจเรื่องธรรมตามสภาพของธรรมความเป็นจริงแล้วนั้นจึงจะด า, าเนินการลอยยุคขนบาตรของกุฏิจักคือไจะทรงรู้ตามกุฏิัก เป็นใ น, นว่าเราเดินตามธรรมที่พระพุเจาได้ตรัสตูมานี่มีแต่เป็นอนว่าเราศึกษาถูกต้องนี่ศึกษาธรรมต้องศึกษาอย่างนี้พระธรรมมันกว้างขวางมากอธิบายมา้มากมายเรือที่จะศึกษาเ ร, าเรียนจนจบสิ้นอะไรแบ้ เราศึกษาทำคาสอนเรจไม่ถูกจุดเรางงกันหมดเลยว่าแทงไม่ใส่เ จ, ะจะอะไรแนอนอนตรงไหนอันนี้ก็หาและแวลงหาทำข้ออัจฉริัะต า, า, ต า, า, ตานารําพีโนเนียอะไรต่างหรือข่าวเล่ารือศึกษาไอเล่าลือในสำนักใตสอนทำมีเก่งนิดสํานักใจมีคนนี้ย่าเราเสียใช้มากแต่ไปหาสำนักกัน ไปศึกษาในสนามไนั้นทั้งศึกษาสนามไหนนี่ก็ใส่ถือทั้งที่ไหนตำนานเนี่นยก็เอาถือฉัอนตรงนี้เนไม่มีจั่ง น, นี้หรอถ้าเราจับตรงนี้ได้แล้วนะเห็ดตรงนี้แล้วนะไม่ต้องไปไหนจับจุดตรงนี้ได้แล้วไปัางไหนไปศึกษาไหนก็อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นคือให้เห็นทัน สภาวธรรมที่ว่านี้เป็นการศึกษาพิจารณาตนให้ถูกต้องต่อศึกษาตงนี้อย่าไปความคิดต่างอย่าไ ป, ปค่วงขวางต้ไปศึกษาด้าวยภาวนาธรรมะแล้วจะได้เอา ค, ความรู้พ่วงขวางพิจารณาจะแตกฐานปฏิสัมพินาหรือวจะได้ปิญญารู้หนุหนรู้นี่เ์รู้หนนทั้งนี้อะไรต่างนั้น อันนั้นก็ในป็นเรื่องกิเลสทั้งเคอันนั้นศึกษากิเลสเล้วนั้นพระพุริเจ้าสอนในสาระทิจับคนเรงมีใจทุกคนเราศึกษาพุทธศาสนาจะให้ศึกษ า, นนะะาวูจักสภาอาตารเป็นจิตทุดปล่อยทิ้งอุปทานในธรรมนั่นแ่ะ อันนี้เราต้องแสวงหาธรรมเอาธรรมมันไม่ถูกทางให้ศึกษาธรรมเข้าใจธรรมให้ปล่อยวางสภาว ะ, ะมันก็ถูกทางเอาดได้ตรงนี้การศึกษาธรรมถ้าศึกษาตรงนี้หมดความสงสัยในการศึกษาแล้วอันนี้ผก็จะถึงธรรมนะใครจะคิดใจใจยจนจนถึงธรรม เท่ากับบทบัญญัติพระเจ้ากระตัรงเทศนาว่ามโนปุกังขมาธรรมาทำทั้งหลายมีใจทิงก่อนมีใจเป็นไงสำเร็จแล้วโดดจั๊กนะครับเราทุกคนมีใจแลยว่ะงที่ดูใจมีทุกคนธรรมะลูกธรรมะารรมีแล้ทุกคนสภาวะทางทุกลับเกิดตักทินงได้ทุกคนจะไปหาอะไรอีกอ่ะ ไม่ได้แสวงหาธรรมที่ไหนมีอยู่นี่แต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้นรานอ น, น, อนเฝ้านั่งเฝ้าทรรมแล้วไม่เข้าใจธรรมจงตั้งใจศึกษาแล้วไม่เข้าใจธรรมมเาเกียงยิงยิงเกี่ยงเพื่อพาันโดดโล ด, ดเต้นหานน่นหาเนี่ยอะสัต่งไปมากมาย ทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนนั่งเรนภาษาหนังสือใจถึงนันไม่ใช่ไปถึงที่ไหนหรอกคำว่าถึงนี่คือมีอาการอย่างเราเดินไปถึงตรงนู้นตรงนี้เียกว่าเดินอย่างเดินมาจากกรุงเทพมาถึงมุกฮีน้อเป็้เรียกว่าอาการคือยาาอาการของการถึงภาษาหนังสือต้องเขียนอย่างนั้นแต่ทางปฏิบัติไม่ใช่ถึง ทำทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจภาษาหนังสือต้องเตรียภาษาปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ให้คิดดูที่ว่าการชำระใจนั่นนะเมื่อชำระใจคือว่าค้มหลงในการที่เราหลงธรรมที่ว่านี้ไม่เข้าใจธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เหมือนเรียกว่าเราชำระค้มหลง ก็บรู้ก็เกิดขึ้นมานทนะีนั้ น, นั่นอะเรที่เาธรรมะเกิดทั้งจิตใจอย่างเราขัดโลหะจะเป็นเหล็กกระตามเป็นทองกระชังแล้วขัดไปขัดไปจะมันเกิดแววขึ้นมาจองในเรื่องโลหะนั่นเองไม่ได้มาจากอืก่นใดหรอกอย่างหยาบๆเช่นเราซักปลาะผ้าที่ชุกก็ปลอง เมื่อตเตกก็ตกหายไปเนื้อผ่านก็ขาวสะอาดขึ้นไก็เช่นเดียวกันเมื่อไรจะอิงใจเพราะว่าทําทั้งหลายในใจถึงก่อนไม่ใช่ถึงอันนั้นผู้ที่ศึกษาเรียนเข้าใจกันได้ดีแต่ว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจเพรามีการศึกษาดีก็รูง่ายผู้ปฏิบัติจะเข้าใจแม้ผู้มีการศึกษาจะเข้าใจ ถ้าพูดถึงแนวปฏิบัติต้องพูดใเข้าใจที่ง่ายอย่างนี้จิงติจักถูกปฏิบัติได้ท่านางายมีใจขึ้นก่อนแ้ามีใจเป็นใหญ่ก็บอกอยู่แล้วรงกลงอยู่แล้วใจนี้ที่คนที่จะรู้ชินทั้วงหมดเรื่องขอเป็นยหา่ใจนี้ที่พลนที่จะเข้าใจรู้จักรู้แจ้งนจริงในสิ่งต่าง แ่พทังหลายมีใจเป็นไงตอนท้ายชัดสาเร็จแล้วโดยใจเลยคัน้เราพูดถึงเรื่องใจอีกทุกคนมีใจแต่ต่พูดถึงเรื่องใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเสียใจดีใจน้อยใจเจ็บใจรุ่มใจใจอยู่ตรงไหนหรอเห็นอย่างใจ อะไรเป็นใจลักษณะของใจเป็นยังงัยรู้เรื่องใจได้ยังใจเป็นยังไงสังเดชและโดยใจทั้งหลายมีใจทั้งก่อนถ้าไม่รู้จักใจก็จะไปรู้จักก่อถึงได้อย่างไรถึงทำได้ยังไงไปชำระใจอย่างไรกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจจะไปชำระได้ยังไงไม่เมื่อไม่รู้จักใจมันเกิดขึ้นที่ไหนตรงไหนสักมันต้องรู้ใจแค่ตอนที่ การปฏิบัติสุดหัดภาวนาเดี๋ยวนี้เราภาวนาสุดฝนอบรมเพื่อให้เข้าถึงใจนั่นเองความสงบอบรมมาเข้าถึงความ ส, มบามสมบงบคือเข้าถึงใจนั่นเองสมตงมติบรรยัตมีเยอะแยะถ้าพูถถ ด, ถ, ถ, ถ, ดพ ถ, ถึงใจเราจะพูดพัดจะพูดถึงจิตถ้าพูดถึงจิตจะพัดจะพูดถึงใจ จะมาจึงบรญญัติให้เป็นขั้นเป็นตอนบรญญัติให้เป็นใจหนึง่งให้เป็นจิตหนึง่งเพื่อจะอธิบายให้เข้าใจถ้าอยนั้นก็ซับสนกับไปสับมาพูดใจกลับเป็นจิตพูดจิตกับเป็นใ จ, ใจ น, ใ, จใจนั้นก็ภาษาบ้านเราก็ไม่มีผิดอะไรกันหรอกคือใจคือ ข, ของกลางก็เป็นกลางไม่กว่าใจ ใจยังไมนคิดดีคิดชั่วไม่ได้คิดหยาดละเอียดแม้แต่เป็นบาปเยงๆ่เลีอกจ่าใจเนี้อหาคูดจะเข้ากัหลกักดีว่าที่ผู้ปฏิบัติพุทธภาวนาจนและทั่งใจรวมเข้าไปเป็นผ่องหวังใจรวมเข้าไปเป็นผ่องห ว, วังแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดเลยมีแต่ความสงบสว่างจ้าอยู่คนเดียว ท่นเรียกว่าพระวังคือภพของใจที่ที่เดินหุ่ใจนั่นเองที่เกิดหุ่นใจนั่นเนี่เรียกว่าภพของใจเียกพระวังที่ภพของใจอาการาของใจเรียกว่าจิตถ้าหากแสดงอาการเรียกว่าจิตใจไม่มีอาการอันนี้เรียว่าดีใจ พิจัยแสดงอาการออกมาเป็นกิเลเสียใจแล้วก็แสดงอาการใจแล้วแสดงอาการไม่เป็นกายใชแล้วเขาเรียกเป็นกิเลคลุ้งคลุ้มค้งกรดน้อยออกน้อยใจเศร้าโศกสแอะไรก็แสดงอาการใจแสดงอาการออกมาคือกิเลสจิตนั่นคือจิเลสนั่นเองจิตคือพูกคิดพูนึก จิตคือผู้ส่งผู้ส่ายคันถ้าไม่คิดใน่นึกไม่ส่งไม่สายเข้าไปถึงพระธาตเดิมเรียกวัดใหญ่เรียนกันไปเทอะเรียนแนเรื่องจิตนีน้าแจกคำสกัดที่เดอมที่เดอมเรียนไปเถิดเรียนไปไม่รู้จักจะได้แต่ภาษาได้เต่าได้แตชื่อของมันนั่นชื่อต้องไหวจะได้ยิงไปเขียนในจักราด ต้นเต็งต้นหลังต้นพวงต้นตะแดดต้นอะไรสักแบบเขียนให้จนวันข้ามไปเขียนเลยจะได้เห็นต้ไรจริงไม่รู้ต้นพวงต้นเต่งต้นหลังเป็นยังไงกันบ้าเมือแต่คนเรียนจิตไล่อาจารย์จิตไปโอ้โหต่องแต่จิตจริงๆก็ไม่รู้อีกถ้าไม่รู้ตัวใจไม่รู้ตัวจิตอีกมือั ให้จับตัวใจให้ได้กอนน็จะรู้จุดจิตถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าใจลักษณะของใจเป็นยังไงลองสากที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ดีๆสงบนิ่งกั้นลงมาใจคือว่าทักต้องคิดหนดึ่งต้งสายหน้าหลังานี่โกรธแสงโกรธคนก็หายหมดสมกรูดรักแฉรักษ์คนก็หายหมด อันความเป็นกลางๆผิดใจที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือตัวใจลักษณะอาการของใจมีอย่างนั้นแต่ว่าเราจะตั้งมือไว้ใจอยู่ตลอดเวลานี่ได้สกพักยังไงก็วบายมาแลบายล้วจะไปอะไรทีงสมมติบางอย่า ง, จ ะ, าะ จ, งาจะมาลมหายใจซึ่งมันละวายมาตามลมนั่นเองเันเรียกว่าลมหายใจ ใจเลยอยู่กับลมเลยอยู่กับลมนะทำอย่งนี้เราจะฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงใจอนะใจเป็นของมีตัวยังเปล่าแล้ยเราต้องให้มันมีเป้าหมายอันหนึ่งของใจเวลาเราจะฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงใจให้ลอให้ใจระบายลมหายกับใจมันมันเข้าไปแล้วทางนี้เป็นจิตอะไราเนี้เอาตรงนั้นอ่ อาตรงเอาตรงลมหายใจ่นะครัาาบายเ ข, ข้าหายออกถ้าไม่อยู่ตรงนั้น อ, นอนะ่ะอันนั้นเือเป้าหมาย้มันกระบอยู่ตรงนั้นงั้นลมก็หมายความทั้งหมดลมนะ ก, ก็นะมมเหมือนในอามที่เราเรียกอันนั้นไไม่มีตัวองนั้นงันก็กระทบสิ่งตา่างๆอย่ราลากวอย่างเรานั่งเนี่ยถ้ามันไม่มกระทบตัวเราล้วก็ไม่ปรากฏตัวหนุกไม้ไไมนใบไม้ก็แรงม ไหวจริงเขาไม่จับ่าลมตัวใจเราให้ไปกระทบที่ลมนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแ่ะสติควบคุมอยู่อย่างนั้นในจุดนะไมเป็นเป้าหมายของจิตคงอยู่ตรงนั้นเหีงเดียวไมใส่ที่ไหนไม่จะส่งไปไหนสตามเหรดินเข้ามาตรงนั้นแ่ะเมื่อสติ มีพลังเสียงพอสามารถเที่ยะกับพวกใจนะฮะอยู่ในจุดเดือได้คิตนั้นจะหยุดจุดแล้วจะเข้าถึงใจทุ่รวมเข้าไปเป็นเขาวังสงบเข้าไปเป็นเขาวาจะเข้าถึงใจเช็นใจอีกต้องฮัดอย่างนี้จึงจะเข้าถึงใจจึงจะรู้ใจ คั้ น, นี้เมเรารู้ใจแล้วคั้นี้อาการของใจเราเห็นชัดเสียที่ เ, เละทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพราะอาการของใจน ะ, ะมีการศึกษาพุทธศาสตร์สมามีที่ชิ่นที่สุดจบลงตรงนั้นถ้าเข้าถึงตรงนั้นจบเลยการศึกษาพุทธศาสตร์สมาไม่ยืดยาวแล้ว เรียนวิทยศาสนาศึกษาวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาเข้ามหาตัวใจถ้าเข้าถึงใจเดิมได้หน่ะคือตัวใจคือว่านี้แหละจบตรงนั้นแ่ะวตัง้งตาพิทธศาสตร์สาจบตรงนั้นเองไม่เหมือนวิชาอื่นที่เราเรียนนัก เ, เรียนการยืดยาวยที่จริงที่สุดเรียนวิทยศาสนรสายสุดจบลงตรงนั้นแปลว่าเรายังทําไม่ถึง เรียนจบแล้วยังปฏิบัติไม่ถึงจึงพัายามปฏิบัติคืออบรมดังอธิบายมานี้ตั้งสติควบคุมใจจิตให้อยู่ในลมหายใจดังอธิบายมานี้เมื่อสติมีพลังเต็มที่สามารถจะควบคุมจิตนั่นมีทางไฟแล้วมันก็จะจะองรั่วหเป็นพอวางทึกเข้าถึงใจ มีการศึกษาพุทธศาสนาอธิบาโยโย่อๆให้เข้าใจง่ายด้ดะนำไปปฏิบัติได้มีที่สิ้นที่สุดถ้าหากล้วไม่จับจุดนีไนไว้ไม่ไม่เข้าใจหลักอย่างทีแล้วงงมดศึกษาพุทธศาสนาไม่ตัดจะเอาไหนยิ่งมาสมายัยยะนี่แล้ว มีสำานักมีอาจารย์ต่างสอนวิธีปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานนึกถอนธรร ม, ร ม, ม า, มา น, นั้มากมาย่ว้างขวางลือวเกินนี่เราฟังทางวิทยุศาสร์ทุกคืนทุกคืนแม้มันหลายสถานีแล้วเกินคนไปนั่งฟั ง, ง, ง้างงกันไปหมดไม่จับอะไรไม่ได้ก็เลยนอนหลับหายคุ้น ถ้าหากจากลังนี้แ ไ, ไม่ต้องมาฟังอื่นขาจะพูดได้อยๆแต่เถอะลงมาตรงนี้ทั้งนั่นอธิบายนี่ยเป็นเดสักว่าํำนวนวัวหารสักแต่ว่ามติของใสละขดแต่ละขณะจาังท่านชำนาญในด้านไหนต้องอธิบายในด้านนั้นท่านมีความรู้ขนาดนีน้ท่านก็เอาความรู้ท่านมาเผยแพ่ หรือท่านจดจำได้ขนาดไหนท่านก็เอาความจดจำท่านมาคู่ดังที่บหยฟั่งในเบื้องต้นจดได้แต่ไม่รู้จักตัวมัน่นสั่งไว้าส่วนตัวเองเป็นประโยชน์แก่ผู้่ดีอยู่แล้วถ้าเรูดนักปฏิปักษ์ถ้ามาเสด็จไม่เอาหมู่เอาเนื้นักไม่เอาบ้านเอาเมืองไม่เอาญาิเอาหุเอาพรติพวมคนยุคสมัยไม่เหมือนกันพูดอยู่ใช่ไหมล่ะั แตคิดการเดียวกันแหละกับคนสมัยก่อนเน้นว่าการปฏิบัติพุทธะสายสนานิแดกไล่เอาจนนอกไม่กล้วงขวางตคิดดูยวเพยจอารน่ในคนที่สุดอันผู้ที่ยกช่อเผยเจ้าพระยาสวงเช่นเผเจ้าสุดสีุสธรนาเป็นตนนางี่พายโสธรนานญิงโกรธหน้าเสือดแค้นเดือดแค้นนักหนา ถ้าอง์ทอดทิ้งเราเป็นมาในผลที่สุดจะได้เป็นพร ะ, งระพพงังหยยงันชอบพระพุทธเจชาทิ้งเป็นหม่ตัวเองพระเจ้าคือตัวทานหน้าก็ชิ้นเดียวค่ะในพหน้ญญาติ อ, ององค์อื่นเ็ชิ้นเดียวค่ะาศาสนาเนมองกาดมองข่างเ ข, ข้าใจว่ า, าศาสนาไร้ค่ามาหาประโยน์อย่ ไม่ใชยาเสพติดอะไรแต่เขาจะพูดเขาไม่รู้จักพุทธศาสตร์สนาอย่างอธิบายใฟังมาเนี่พวกเราจะให้หลงงงงายอย่างเขาให้เข้าใจให้จาหลักให้ได้เมื่อเขาไม่เข้าใจก็ให้ก็ปล่อยเพราะว่าไปตามเรื่องก็เป็นธรรมจายอย่างเราไม่เข้าใจก็ต้องว่าอย่างนั้นเหมืันแต่แท้ที่จริงธรรมะ มีอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่เห็นธรรมะจึงไม่มีาศาสนาขึ้นมาเขาได้เก้าเห็นธรรมะแล้วจึงนํามาสอนของพวกสอนัวเราคําสอนนั่น่ะคือพุปตศาสะนาะตอนที่เราปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนั้นนหละให้เห็นอันนั้นแหละแต่เลาที่เข้าไม่ถึงธรรมะลาสมัยคําสอนโดยแก้าลาสมัยคนตังหากมันล่าคําสมัยเมื่อเก้าสอนไล้สองพันกว่าปีมันลาที่ไหน ทำดีได้ดีจนเชืเยเชื่อมันก็ดีถ้่ากับเชื่อตามเดิมการแตกล่าสามัคคีทะเลาะวุ่นวายพิจารณาในการมันเป็นบาปซึรงเดือดร้อนมันร้อนไหมลองคิดดูก็เ่็ถ้ามันร้านหนึ่งกันยังไม่ลาสมัยที่ทาสนคนเสียถ้าการทะเลาะวิวาททุ่มเสียงพิจาในการหนึ่งการแตกล่าสามัญคีานี่นได้ควสุขคนสบายแล้วรุ่งรวยมั่งมีเลยเจริญงอกงามมีเยอมีเกียรตมีชื่อดังดังอ่ะอันนั้นแะ ศ า, าสาานาใช่ไม่ไ ด, ด้คําถาเรื่องยังดื่มเหล้าเมื่อเาแล้วนั่นแหะศาสาานาใช้ไม่ได้เลยเลิกกันเถอะหยุดอเลยแล้เมื่อมันยังเมา อ, อีตามเดิมทันชั่วยังโทษทุกข์อีกตามเดิมนีป็นล่าสมัยอย่างนั้นคนเราทําไม่ถึงไม่รู้จักหลักพุทธศา ส, าาสนาชีวิตประจาวันขอเราเกี่ยวเนื่องถึงเรืพุทธศาสนาศาสน า, าตลอดเวลาไม่รู้เลย แนวนำวัดศาสนาคำสอนวิจะาไม่ใช่ตลอดเวลาไม่รู้ทุกคนเการตัมมาเรียนขี้ทุกวันนี้เนี่ยการต้องอาศัยตารปัญญาบากบัญขยันขนแขงนี้ต้องหาตัมมาเสียงเรียนขี้ตลอดรอบตางเล้คณะนั่นคือคำสอนวิจรยอุทาตาริเตด้านนงปู่แสวงหาสัตว์ไดจะหาแสวงสัตว์จะต้องเป็นคนสัญญ ย, ยิ่งได้เงียทุกข์นุมาจิติคนทุกข์ได้ถึงไม่เะเป็นเศรษฐีก็ไม่ตายถ้ามีความเปีย น, นนั่นแห่ะคือทั้นสองก็คืเจ้านั่นแห่ะคือศาสนามันยืดยาวพูดไปพูดยนย่อยเฉพาะให้เป็นตัวอย่างเป็นดึงเรื่องไปเอาละเทศนาเท่านี้แล้ว น, นี้นหมหลามากมาย เอ้าอนาคือการต่อสู้คือการไปจนไปจนทั้งตาหัวจมูกริ้นสายใจคือไม่จนก็ต้องอารมณ์กับอารมณ์นั่นเองมักจะทรงสายวุ่นวายโน่นนี่อะไรต่างมีความหมายคือการต่อสู้ลักษณะคือการต่อสู้ความประสงค์คือต้องการอบรมใจให้สงบ ลักษณะอาการที่ถำมันคือการต่อสู้ความหมายแค่คือความสงบอย่าไปคิดว่าจะเป็นอย่างโน้นเยนอย่างนี้อยากได้อย่างโน้อนอย่างนี้ไม่ถูกพั้งนั้นไม่สงบเพราะฉะนันอะไเบื้องต้นนี้จะต้องต่อสู้ด้วยความเ ห, น, เหน็ดขมอะไรด้วยความเจ็บเมือเ่อยต่างแ ล, แล้วต่อมันก็ต้องต่อสู้ด้วยความคิดสงสัยงนั้นหนึ่งมันไล่ฆ า, า, าประโยชน์นไม่ได้ ที่เราเคยเป็นมาแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรเท่านั้นะคิดมาได้สงสารมาไดตั้งแต่เกิดไม่เคยสงบในจิตจใจไม่เคยสงบไม่มีกําลังกายเมื่อทํางานไม่มีการพักมันก็ ม, มีกําลังทํางานต่อไปจนใม่ไใจที่ไม่ได้รับความสงบมันก็ไม่มีพลังเขาจะต้านทานต่ออารมณ์ได้เห็นนั่นอะไรจะทอบมันยังคย ปลิวอะไรก็เท่าปลิววันไวย้ยตลอดเวลาเพราะความสงบไม่พอใจก็มีพละมีงานในการคิดฉะนั้นได้พักการคิดสงสัยให้เข้าถึงความสงบมีความต้องการในการพบมนาฉะนั้นจะต้องกดทนต่อสู่ทุกๆอุทิศทาง เมื่ออาชนะใจเมื่อไม่ชนะใจใจก็ต้องเราก็ต้องเป็นธาตุของใจนันบอกให้เราวิ่งก็วิ่งบอกให้เราสรงสายก็สรงสายบอกถห้เราต้องหายต้องหหวเพกาะเราเหงาหาจะาต้องวิ่ตามมันแม้แต่จิตไม่ได้ยินเสด็จยาเสด็จอิจจิตเฉพาะใจมันบังคับเราเมื่อเราบังคับมันได้เลิกได้หมดมันจะร้องไห้ ย, ยังไม่ร้อ มันจะเศร้าโศกใช่ไหเราเศร้าโศกมันจะรักจะชอบเรื่อหัวเราหี ห, าจจหิมะเจ้าจ้ารนัดมาชอบหัวเราะหมะเมื่อเราบังคับมันได้มันมสบายึี่สุดนี่เราหาความสุขไม่สุขถมมังเดกกล้ทุกนักทุกสบอบเพราะฉะนั้นการขัดภาวนาเป็การฉลาดใหญ่จึงเล็นขอมีคุณค่าไปอยอย่างน้อยที่สุดเราจะเห็นใจของเราซึ่งเรายังไม่เยเห็นแล้วก็นสนกับ เป็ในใจนิ่งหรือใจหุนว่าส่งนอกส่งในส่งใกล้ส่งไกลจากเสีสเยโลชินนั่นจะเรียกวค่อยดีขึ้นมาแล้วได้ขนาดนี้นจะเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วชาติหนึ่งชาติหนึ่งได้ขนาดนี้จะดีโอ้ไม่ว่าหมายอ ไ, ไรกันไดนับสินจะเชื่อดีแลยขนาดการพัฒนากามนมีนได้รับเชื่อให้สรวม